บางท่านเห็นว่าภาวะในฌานเป็นนิพพานหรือมิฉะนั้นก็ว่าสัญญาเวทยยตะนิโรธที่เรียกอีกอย่างว่านิโรธสมาบัติซึ่งเป็นสมาบัติสูงสุดเลยจากอรูปฌานไปนั่นแหละคือการเข้าถึงนิพพานคำตอบมีว่าสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งยังไม่บราราลุอรหัตผลฌานสมาบัติเหล่านี้เป็นอุปกรณ์ที่ดีสาหรับการบรรลุอารหัตผลต่อไป คือเป็นเครื่องมือเตรียมจิตให้พร้อมและให้อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ดีที่สุดดังได้กล่าวแล้วข้างต้นนอกจากนั้นตัวฌานสมาบัติเองตลอดจน ร, ปรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ในฌานสมาบัติเหล่านั้นก็ล้วนเป็นสังขารที่ผู้ปฏิบัติธรรมจะหยิบยกขึ้นมากาหนดพิจารณาด้วยวิปัสนาปัญญาเพื่อให้เกิดวิชาึ้นได้อนหนึ่ง ไม่พึงสับสนกับข้อความที่กล่าวไว้ข้างต้นที่ว่าฌานสมาบัติเป็นทิฏฐธรรมนิพานได้โดยปริยายคือโดยภาวะที่กิเลสสงบระงับไปตลอดเวลาที่อยู่ในฌานสมาบัตินั้นๆและไม่พึงเข้าใจสับสนเกี่ยวกับข้อความในวิสุทธิมัทที่กล่าวถึงพระผู้จะเข้านิโรธสมาบัติว่าท่านมีความประสงค์ว่าเราจะเป็นผู้ไม่มีจิตถึงนิโรธคือเหมือนนิพานอยู่เป็นสุขเสีย ในทิฏฐธรรมนี้แหละในปร ม, มัตตมัญชุษาอธิบายความตอนนี้ว่าเสมือนบรรลุอนุปาทิเสสนิพานเพราะผู้เข้านิโรธสมาบัติไม่มีแม้แต่สัญญาและเวทนามีภาวะคล้ายกันมากกับคนตายข้อความนี้ก็ไม่ได้หมายความว่านิโรธสมาบัติเป็นนิพานแต่หมายความเพียงว่าอาศัยนิโรธสมาบัติบรรลุนิพาน เป็นวิธีหนึ่งในการเกี่ยวข้องกับนิพพานซึ่งเป็นธรรมดาของผู้บรรลุนิพพานแล้วที่จะมีความเกี่ยวข้องกับนิพพานอยู่เรื่อยๆแม้เมื่อเข้าพลรสมาบัติหรือผลสมาบัติพระอริยะทุกระดับก็ย่อมกำหนดใจถึงนิพพานเป็นอารมณ์ผู้ที่อ่านบาลีเกี่ยวกับนิโรธสมาบัติเช่นไหนทิฏฐธรมมิตสูตรอังคุตระนิกายนวากานิบาตที่ว่าภิกษุ เข้าถึงสัญญาเวทยิตะนิโรธอยู่และอาสวะทั้งหลายของเธอก็หมดสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาเพียงเท่านี้เรียกว่าทิฏฐธรรมนิพานโดยนิ ป, ปรยายข้อความนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าสัญญาเวทยิตานิโรธเป็นนิพานการสิ้นอาสวะตังหากเป็นนิพานพระอัตถกถ า, ากล่าวในมโนรัฐปุรณีว่า หมายถึงกิเลสนิพพานเพียงแต่นิพพานนั้นอาศัยสัญญาเวทยิยตานิโรธเป็นฐานในสังคีตสูตรทีกนิกายปาติกวกัคและในอังคุตตระนิกายจาตุ ก, กนิบาตข้อ189ก็มีบาลีว่าวิโมก8เป็นสิ่งที่ทำให้แจ้งด้วยกายส่วนความสิ้นอาสวะเป็นสิ่งที่ทำให้แจ้งด้วยปัญญาที่ว่าวิโมกแเป็นสิ่งที่ทาให้แจ้งด้วยกายนั้น นิโรธสมาบัติก็เป็นวิโมกอย่างหนึ่งตรงนี้พระอัตถกถากล่าวว่าหมายถึงนา ม, มากายส่วนที่ว่าความสิ้นอาสวะเป็นสิ่งที่ทำให้แจ้งด้วยปัญญานั้นตรงนี้ความสิ้นอาสวะก็เป็นความหมายหนึ่งของนิพพานในระโหคตะสูตรสังยุตตนิกายสลายตนวัร์มีบาลีว่าสำหรับผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธสัญญาและเวทนาดับ แต่สำหรับพระขีนาสพคือผู้บรรลุนิพพานราคะโทสะโมหะดับและพึงสังเกตว่าในการเสด็จดับขันธปรินิพพานพระพุทธเจ้าส่งเข้าอนุปุพภวิหารสมาบัติโดยตลอดคือตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปตามลาดับจนถึงสัญญาเวทยิตะนิโรธแต่หาได้ส่งปรินิพพานในนิโรธสมาบัตินั้นไม่ทรงออกจากสมาบัตินั้นและเข้าฌานออกจากฌาน ย้อนลำดับลงมาเรื่อยๆจนถึงปฐมฌานแล้วกลับเข้าฌานย้อนขึ้นใหม่อีกจนถึงจตุจชฌานออกจากจตุตชฌานจึงปรินิพานด้วยเหตุนี้จึงได้กล่าวว่านี่โรธสมาบัติไม่ใช่นิพานและสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งยังไม่บรรลุอรหัตผลฌานสมาบัติเหล่านี้เป็นอุปกรณ์ที่ดีสาหรับการบรรลุอรหัตผลต่อไป แต่สำหรับผู้บรรลุอรหัตผลแล้วชาญสมาบัตเหล่านี้ท่านใช้เป็นที่พักเสเวยสุขอย่างอริยชนจึงเรียกว่าทิฏฐธรรมสุขวิหารบ้างทิพยาวิหารบ้างอนุปปภวิหารบ้างแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวนิพพานพูดสั้นๆว่าเป็นอุปกรณ์สำหรับบรรลุนิพพานและเป็นที่พักหาความสบายของผู้บรรลุนิพพานแล้วอีกประการหนึ่ง ในทางกลับกันการบรรลุนิพพานนี่แหละทำให้บุคคลสามารถเข้าถึงและปฏิบัติต่อฌานสมาบัติเหล่านั้นได้ถูกต้องเป็นผลดีมากยิ่งขึ้นกล่าวคือคนที่ได้สมาบัติแปดแล้วจะยังเข้านิโรธสมาบัติไม่ได้จนกว่าจะได้น้อมสู่นิพพานถึงขั้นเป็นพระอนาคามีขึ้นไปจึงจะมีกำลังสมาธิและกำลังปัญญาเพียงพอที่จะเข้าสู่ภาวะนั้นได้นอกจากนั้น ผู้ที่ยังไม่บรรลุอรหัตผลล้วนยังมีรูปปราร tha และอรูปปราร tha อยู่เมื่อได้ฌานสมาบัติแล้วก็อาจเกิดความติดใจเพลิดเพลินกับฌานสมาบัติได้ฌานสมาบัติเป็นสิ่งสูงประเสริฐก็จริงแต่หลักพุทธศาสนาสอนว่าความเพลิดเพลินติดใจในฌานสมาบัตินั้นเป็นจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องอย่างหนึ่งโดยเฉพาะก็คือ เป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้บรรลุนิพพานนั่นเองเช่นตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าถ้าภิกษุบรรลุอรูปฌานที่สคือเนวสัญญานาสัญญายะตนะซึ่งเป็นชั้นสูงสุดในสมาบัติ8แต่เธอเพลิดเพลินติดใจเวทนาในอรูปฌานนั้นเสียก็ย่อมบรรลุนิพพานไม่ได้เพราะยังมีอุปาทานคือความยึดติดอยู่และอุปาทานในกรณีนี้ก็คือ เนวสัญญานาสัญญายตนะนั่นเองซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าอุปาทานเศรษะแปลว่าอุปาทานอย่างประเสริฐหรือความยึดติดขั้นสุดยอดส่วนพระอระหันต์ผู้บรรลุนิพพานแล้วโดยสมบูรณ์ย่อมใช้ฌานสมาบัติเป็นที่พักอยู่สบายได้แต่ท่านหาติดใจเพลินไม่ข้อยืนยันที่เข้าใจง่ายๆให้เห็นว่าฌานสมาบัติ ตลอดจนนิโรธสมาบัติไม่ใช่นิพานก็คือหลักที่กล่าวมาแล้วว่าพระอรหันต์ปัญญาวิมุตต์ไม่ได้อารุปฌานและจึงเข้านิโรธสมาบัติไม่ได้ด้วยตามหลักฐานที่พบพอจะอนุมานได้ว่าพระอรหันต์ปัญญาวิมุตต์นี้มีมากกว่าพระอรหันต์อุปตโตภาควิมุตต์เช่นหน้าที่ประชุมสองแห่งหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสกับพระสารีบุตรว่านี่แน่ สารีบุตรบรรดาภิกษุ500รูปนี้60สรูปเป็นเตวิชะได้วิชาสาม60สรูปเป็นฉลพินยะได้อภินยาหก0รูปเป็นอุปโตภาคาวิมุตนอกจากนี้เป็นปัญญาวิมุตคือเท่ากับ320รรูปข้อนี้แสดงว่าการเข้าถึงนิพพานไม่ใช่อยู่ที่ต้องเข้าถึงนิโรธสมาบัติ หรืออรูปสมาบัติซึ่งต่ำลงไปกว่านั้นเพราะพระอาหารหันต์ปัญญาวิมุตต์ซึ่งไม่ได้สมาบัติเหล่านั้นก็ย่อมเป็นผู้บรรลุนิพพานอย่างแน่นอน